ท่านประโยคาไว้จรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็ยัขอนำท่าสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับท่าสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีได้ทรงตรัสไวค้คู่เพื่อเป็นกรรมฐานคู่กับพุทธจริตเพื่อสอนคนฉลาด ถ้าคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนกรรมฐานบทนี้ที่โง่จริงๆได้แก่โมหจริตกวิตกจริตองค์สมเด็จพระธรรมสสามิตรมาไดสอนอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากให้ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเท่านั้นเร่ <c oughs> องนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จ พ, พระพักวันทรงทราบว่าถ้าจะสอนควายให้ร้องเพลง แล้วก็เป็นเพลงภาษามนุษย์มันสอนยากความจริงถ้าจะสอนนี่สอนไม่ยากแต่ว่าควายมันจำยากเนื่องว่าไม่ยอมรับฟังและไม่ยอมรับจำเสียเลยเพราะควายมันพูดภาษามนุษย์ไม่เป็น <c oughs> ที่เราใช้ควายกันได้ควายก็ต้องอาศัยการบังคับแล้วก็ทําอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โดยเฉพาะก็ใช้เชือกบ้างใช้เชือกดึงใช้เชือกกระตุกรล้วใช้ไม้เคาะหน้าแล้วก็หูเป็นตน้น <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าควายใช้ภาษาคนไม่รู้เรื่องข้อนี้มีวิมาชั้นใดอารมณ์ใจของคนที่หนักในโมหกะกิจริตุวิตกรจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทราบว่าเขามีอารมณ์โง่อยู่มาก ดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าจึงไม่สอนพระกรรมฐานที่เต็มไปด้วยความรูรคิดต้องใช้ปัญญาสมเด็จพระบรมศาสนาดาจึงเอากรรมฐานที่ประกอบไปด้วยทาสี่ <c oughs> มาสอนคนเจราญที่เรียกกันว่าพุทธจริตสำหรับท่าสีน่นี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิสสงตรัส ว่ามีสี่อย่างขึ้นหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคำว่าธาตุแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องคิดเขินไปคิดเขินไปแปลเข้ามันก็เสียประโยชน์ชีวิตของเราที่ร่วมไปร่วมไปวันหนึ่งละวันหนึ่งอันนี้เราต้องดูทึงเวลาที่มันผ่านไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่ เราก็เดินทางเข้าไปใกล้ความตายเท่านั้นฉะนั้นถ้าจะทำก็ดีถ้าจะพูดก็ดีถ้าจะคิดก็ดีจงทำจงพูดจงคิดแต่ในจิตที่มันเป็นประโยชน์หาคุณใส่จิตอย่าหาโทษใส่จิตการที่โอดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์แต่คิดนอกรีดนอกรอยไม่เข้าจุดท้นทางเพื่อความทุกข์ อย่างนี้ท่านไม่เรียกว่านักปราดเ <c oughs> นื้อใครจะเรียกว่านักปรายก็ตามใจแต่ว่าตัมมายอยากจะเรียกว่านักเปรตคำว่าเปรตประวัละไปแล้วเ <c oughs> ออเป็นบุคคลที่ละเสียจากความดีละเสียจากการพ้นทุกข์เมื่อละจากความดีเมื่อก็ชนกับความชั่ว ละจากการพ้นทุกข์มันก็ชนกับความทุกข์คนประเภทนี้ไม่มีความสุขมีแต่ความเร้าร้อน <c oughs> คล้ายกับเปรต ท, ที่จะสวยทุกขเวทนาอยู่ในอบายภูมิที่พูดนี่มันดีดาใครพูดให้ฟังจะได้รู้จักคนคนประเภทนี้เป็นใครก็ช่างเขาแล้วก็อย่าสนใจ ว่าใครเขาจะเป็นปลายก็ดีใครเขาจะเป็นเปริดก็ดีอันนี้มันเรื่องของเขา <c oughs> เราอย่าไปยุ่งหน้าที่การยุ่งของเราสำหรับเขาไม่มีสำหรับเขาหน้าหน้าที่จะไปยุ่งเรื่องของเขาสำหรับเราไม่มีเรามีหน้าที่ยุ่งอย่างเดียวคือยุ่งกับความเป็นจริงของร่างกายความเป็นจริงของร่างกายเป็นยังไงนั่นก็คืหนึง่ง ท้าไงมาพิจารณาคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบไว้ในธาตุสี่จริงไหมแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุสี่ที่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสมีอะไรบ้างถ้าบอกว่าร่างกายของเรามีธาตุดินมีธาตุน้ํา มีธาตุลมมีธาตุไฟก็ฟังของท่านต่อไปท่านบอกว่าสภาพอันใดในร่างกายที่มีส่วนแข็งเช่นเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินเพราะมันเป็นก้อนคำว่าเป็นก้อนมันทรงตัวอยู่ได้รวมกัน นี่สำหรับของเหลวที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเสมหะปัสสาวะเป็นต้นอย่างนี้เป็นธาตุน้ำความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟอาการที่พัดไปมาในร่างกายเช่นลมให้ใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมในเมื่อธาตุเั้งสี่รายการนี้มีส่วนผสมกันแล้วองสมเด็จพร ะ, ระบพิตแก้ว ทรงตัดว่าธาตุนี้ร่างกายนี้จะมีความสมบูรณ์โูนสุข ห, หมายความว่าร่างกายนี้จะเต็มได้วยความอุดมสมบูรณ์มีเป็นร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรบคกลท่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มันมีว่าธาตุมันทรงตัว ในเมื่อธาตุทั้งหมดมีการทรงตัวร่างกายก็สมบูรณ์พลสุขเมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์พลสุขเราก็นิยมสรรเสริญว่าเป็นร่างกายที่ดีถา้ถาธาตุแต่สีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหย่อนลงไปเช่นธาตุลมหย่อนมันให้ใจไม่สะดวกความอึดอัดในร่างกายก็มีท่านเรียกว่าธาตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีบอกว่าร่างกายมันเป็นโรค คำว่าโรคแปลว่าการเสียแทงทำให้ร่างกายไม่สบายใจเข้าไปยึดรู้สึกว่าไม่มีความสุขแต่หากว่าธาตุไฟน้อยลงไปร่างกายก็เย็นชืด่ดคราวนี้การเคลื่อนไหวเป็นรีความยากลำบากถ้าหากว่าธาตุดินหย่อนร่างกายขึ้นเนื้อหนังไม่สมบูรณ์เหี่ยวแห้งพร้อมโซ ล, ลงไปเราก็เป็นทุกข์ ก็รวมความว่าทั้งสี่ธาตุนี่แหละธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตามถ้าย่อหย่อนลงไปธาตุทั้งหลายแล้วก็ร่างกายของบุคคลนั้นก็หาความสุขอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขเป็นวะไหมดดีกันนี่องค์สมเด็จพระสุนทรให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นอันดับแรกว่าร่างกายของเราที่มันประกอบได้เพราะธาตุสี่ แล้วก็ท่าสี่นี่ก็มีความสําคัญนี่มองกันไปดูอีกทีความมุ่งหมายขาององค์สมเด็จพระภักวันให้พิจารณาท่าสี่นี้ว่ามันเป็นของสุกับโกความประสงค์แค่ตัดราคะคือความกําหนัดยินดีในร่างกายแล้วไมถูกส่วนใหญ่อารมณ์ใจของคนที่จะมีความทุกข์ก็เพราะอารมณ์ติดในร่างกาย ติดในร่างกายเราบ้างติดในร่างกายเขาบุคคลอื่นบ้างถือตัวถือตนว่ากายของเราพิเศษกายของเราสวยกายของเราดีกายคนอื่นสู้เราไม่ได้แต่ถ้าเอาจริงเอาจังกันขึ้นมา่อ <c oughs> กายเรากับกายเขามันก็เต็มไปด้วยความสุกกรกเหมือนกันกายยาจกเข็นใจ ตลอดขึ้นไปสูงสุดถึงกายของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองโลกมีสภาพเหมือนกันจะต่างกันก็แต่เพียงผิวพันธ์บ้างเล็กน้อยเพื่อสีของร่างกายลดยยต่างกันอีกทีก็คือเครื่องประดับกายซึ่งมันไม่ใช่กายหามาทีหลังตั้งไว้บางกายเดิมแต่ถักว่าถ้าจะถอดเสื้อแก้ผ้ากันออกหมด ร่างกายของใครมันก็เหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเร็วกว่ากันเมื่อแก้ผ้าออกแล้วก็มันนั่งมันนอนดูกันว่าส่วนไหนของร่างกายมีความสะอาดจริงๆบ้างคนที่นิยมว่าตัวเองสะอาดเคยพบมาเยอะเพอรับแขกทุกวัน วันหนึ่งอาจจะเป็นหลายสิบคนบางวันนับเป็นร้อยคนบางวันเป็นพันคนบางวันก็สองสามคนไลสองสามคนนี่น่ากลัวไม่มีก็ผ่านคนมานับเป็นหมื่นเป็นแสนยังไม่เคยเห็นใครสะอาดจริงๆเลยมีแต่คนสุกปรกแต่บางท่านสแสดงการรังเกียจคนอื่น มาแต่คนที่แต่งเครื่งแต่งตัวไม่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีความยากจนหรือว่าไม่พิถีพิถันกับการแต่งกายร่างเกียจกายเขาผู้คนอื่นจะนั่งใกล้ก็ไม่ถนัดดีเมนดีสัตว์ที่ได้ชันเส้นสุนัขเดินผ่านมาก็สแสดงการรังเกียจพอมองเห็นท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดไม่ได้เอาโกรธอะไรท่าน แต่ด้ว่ามีความรู้สึกสงสารในท่านที่สงสารสงสารยังไงก็ตอบว่าสงสารมาเวลาเวลานี่แรงกับแรงเกิดลังเกียจกันเองเสร็จแล้วนี่แรงเกิดเหม็นสาบแรงต้องคิดไหมว่าแรงตัวนั้นมารังเกียแรงตัวนี้เป็นอันว่าน่าสงสาร หรือว่าตัวของท่านเองแท่งกับสกปรกท่านกับไป ร, บรังเกตคนอื่นสัตว์อื่นมาสกปรกถ้าเรายังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าไกลจากความดีไกลจากความสุขนี่ถ้าเย้ใกล้จะทำยังไงก็ต้องมองดูธาตุดินทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าสภาพธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายส่วนไหนมาสะอาด ร่างกายภายนอกของเราสะอาดด้วยวสดุกัปกถ้ามันสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันสะอาดแล้วนี่แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนฉนลาดแต่เนื้อเป็นมองดูไปแล้วทั้งหมดท่านสกปรกทั้งกายเลยไม่เด้เหลือ นี่ก็ถ้าย้อนถามว่าตมาในศกปรกเสรสะอาดก็ขอยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซนว่าแสนที่จะศักประรร่างกายส่วนใดที่ขึ้นชื่อว่าสะอาดนิดหนึ่งไม่มีในร่างกายนี้แล้วก็หากว่าท่านจะถามว่าในเมื่อร่างกายสกปรกครบมันสมยัยก็ต้องตอบท่านว่าไม่ได้ตั้งใจครบจะไปนั่งครบมันทำไม ไม่เคยอยากเจอครบมันแต่มันบังคับให้ครบถ้ า, าถามว่าทำไมจึงยอมให้มันบังคับก็ต้องตอบว่าเพราะความโง่ที่โง่ไปพอใจในตันหาเข้าคือความทยานอยากในชาติก่อนชาตินี้ก็เลยต้องปล่อยให้ตันหาไม่ขังไวในร่างกายนี้ที่เต็มไปได้วยความสกปรกเต็มไปได้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมาโอจาระปสาวะ ทุกอย่างในร่างกายที่เต็มไปด้วยความความสปกปรกที่ต้องถูกขังอยู่อย่างนี้เพื่อความโง่เป็นปัจจัยถ้าท่นานจะถามต่อไปว่าโง่ตรงไหนเพราะทันหามันสอนให้อยากอยากรักความสวยสดงดงามรักในร่างกายเรารักในร่างกายของเขารักในวัตถุสอนให้รู้จักโลภกอบโกยทรัพย์สิ่นต่างมาเป็นสมบัติของตน คิดว่าตนกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไม่จากกันสอนให้สร้างความโกรธความเจ็บบาดใครทําอะไรมากระทบกระทั่งใจนิดหน่อยประกาศตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็มันก็สอนว่าเรากับร่างกายนี้เรากับโลกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จะอยู่กันคู่ฟ้าดินสลายร่างกายจะไม่แก่ร่างกายจะไม่ป่วยร่างกายจะไม่ตายไม่ว่ากายเรากายเขา แด้ ว, ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามใจนึกแต่ววความรู้สึกมันก็ไม่มีเพราความระยำ ม, มันจับใจในเมื่อเชื่อตันหาแบบนี้ไส่ก็ต้องโง่มาครองร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขบกบกถ้า เ, าเขาท่านแยแมว่าเวลานี้รู้แล้วดีอย่างว่าร่างกายสุขบรบกก็ตอบว่ารู้แล้วว่าร่างกายของ พ, พูดเองคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีถ้าจะถามว่าถ้าจะตอบกันชัดๆก็เรียกว่าร่างกายของคนถามคนดีร่างกายของคนตอบคนดีไม่มีอะไรดีสักนิดมันสกปรกแสนดีเป็นที่น่าสีอิสียเอ็นเพราะร่างกายของคนทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดนี้มีสภาพคล้ายๆกับส้มเดินได้ จะบอกว่าป่ายชาเดินได้มันก็ไม่ชัดกระโดดส้วมเดินได้ข้างในมันเต็มด้วยความสุขรงกถ้าจะมีใครข้าสักคนหนึ่งว่าธาตุแท้เป็นของสะอาดธาตุดินแท้แท้สะอาดธาตุน้ำแท้แท้สะอาดธาตุลมธาตุไฟแท้สะอาดก็ยอมรับแต่ถ้าว่าธาตุเทมันเป็นร่างกายนี้มันไม่ใช่ธาตุแท้มันเป็นธาตุผสม ถ้าเราสามารถสกัดแ ย, ยกออกไปเป็นธาตุแทนได้มันก็ไม่เป็นร่างกายมันรวมกันไม่ได้อย่างเรายาปูนซีเมนมาสร้างตึกถ้ามันเป็นปูนซีเมนลน้นล้นมันก็ทําไม่ได้เจ้าทรายมาสร้างตึกถ้ามันทรายล้นมันก็ทําไม่ได้แล้วยาหินลน้นล้นมาทําตึกมันก็ทําไม่ได้การประ ก, กอบปูนซีเมนเหมือนกัน ปูนเซเมนท่านกล่าวว่าทำด้วหินถ้าหินจริงๆร่วนๆมาทําปูนเซเมนก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องผสมกับดินแล้วก็ทรายร่วมกันกับหินเพื่อเป็นอย่างเหนียวให้มีพลังขึ้นมาแล้ไปผสมกับทรายกับหินอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีน้ําผสมกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้ท่าสีในกายก็เหมือนกัน ถ้าธาตุสีมันสะอาดล้วนๆจริงๆแท้ๆมันรวมเป็นกายไม่ได้ท่าธาตุสีในกายนี้มันก็เลยเป็นธาตุที่เต็มไปด้วยความสกปรกถ้าว่าจะถามว่าพระพุทธเจ้าให้มองเห็นความสก ป, ปรกของร่างกายแล้วก็ประโยชน์อะไรที่จะพึงได้ก็ต้องตอบว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ก็คืออารมณ์ใจตัดความรู้สึกอยากอยากจะมีร่างกายอย่างนี้อีก ถ้าขืนมีร่างกายอย่างนี้เราก็เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายสกปรกเราไปประคับประคองร่างกายขาองคนอื่นที่สกปรกมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรกายเราสกปรกแล้วกายใครที่ไหนจะสะอาดไม่มีโลกนี้ไม่มีคนสะอาดไม่มีสัตว์สะอาดมันสกปรกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน กายภายนอกของท่านสกโรกสะอาดถ้ามันสะอาดจริงๆท่านก็ไม่ต้องอาบน้ําชำระร่างกายท่านได้เกิดมาไม่เคยจําอาบน้ําชำระร่างกายมางหรืเปล่าถ้าไม่เคยเลยจนกรทั่งบัดนี้แล้วก็ร่างกายของท่านดีสมบูรณ์ไม่มีอะไรมาแปดเพื้นก็ยอมรับยอมแพ้ <c oughs> แต่ที่พูดนี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะแต่ว่ายอมแพ้ความดีของท่านที่ท่านมีร่างกายบริสุทธิ์ ถ้าว่าท่านยังต้องชําระร่างกายอยู่แสดง ว, ว่าร่างกายภายนอกค่อนข้งก็สกปรกนี่ร่างกายภายในสะอาดหรือสกปรกถ้ามองไม่เห็นก็ดูของที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายอย่าอุจจาระปัสาวะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเวลาที่มันหลั่งไหลออกมาสะอาดหรือสกปรกท่านก็ต้องตอบว่ามันสกปรกถ้าไม่สกปรกก็หยิบมันมากินสมัยก็แล้วกันนี้ ก็เรลว่าอุจาระก็ดีเป็นอาหารที่เราชอบปัาแซวะเป็นน้ําที่เราพอใจข้อมลสะอาดเราจึงดื่มเข้าไปรวมความว่าพูดกันอย่างง่ายๆพูดกับคนฉลาดก็มาถ่ายกล่องนี้พูดกับคนโง่ไม่ได้เมื่อท่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของท่าน เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพระะุทธกวนทรงแนะนําให้พิจารณาตามความเป็นจริงเลือกดูทุกสิ่งในร่างกายอย่าน้าลายอยู่ในปากสะอาดสุปรกอมได้คืนได้ <c oughs> แต่พอบ้วนทิ้งออกมาแล้วไม่สามารถจะมือแตะต้องได้ร่างกายของคนที่ถันรักอุจจาระปัสสาวะของคนที่ถันรักเอามาประคับประคองได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังเกียด เป็นอันว่าหมดเรื่องกันยุติการบากมาถ่านกลองนี้องค์สมเด็จพระภุวธกนทรงแนะนําเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสีมันเมื่อธาตุสีเข้ามาไปชุมกันความสมบูรณ์ของธาตุมีเพียงใดร่างกายก็ปราศจากโรคภัยถ้าธาตุสีไม่สามารถขี่กันเพียงใดธาตุร่างกายนี้ก็พังแนบปกติมันก็มีความสกโรกมีความไม่สะอาด เป็นนั้นว่าร่างกายโรคนิ้ทางมันเป็นรางของโรคป้าพังคุณนางมันต้องเปิยเน่าไปใ น, นที่สุดให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเราที่เราจะต้องมีความเป็นทุกข์เพราะการปนเปื้อนร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเกิดขึ้นโดยอํนานาจของตันกินเลตันเท้าป่าทันและกุศลกรรมที่เราทําไว้ในการก่อนดึงเรามาให้จมอยู่ในกองทุกข์คือความร่างกายเราคือใครเราก็ได้กระจิกแล้ว น, นี่ในเมื่อเข้ามายึดถือร่างกายที่มันไม่ทรงตัวคิดว่าทรงตัวร่างกายแหวนนี้จังหาความมาเที่ยงไม่ได้แต่ตันหามันสอนว่าเที่ยง ร่างกายเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรายึดถือมันแต่ตัณหามันบอกก็ไม่ทุกข์ร่างกายเป็นหน้าตายจะต้องตายไปในสุดตัณหามันบอ ก, กไม่ตายเราโง่เชื่อมันมันก็เลยจับมาขังไว้ใ น, นร่างกายอง์สมเด็จไปจอมไตรให้จับท่าสี่เป็นพื้นฐานว่าทาสี่นี่เป็นพื้นฐานมาจากความสกปรกโสมม มีส่วนผสมกันสี่อย่างขึ้นมาในเป็นร่างกายให้วางความพอใจในร่างกายเสียเพราะมันสปกปรกและก็ยังคิดถึงความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอันทีจังหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวเปในที่สุดถ้าเรายังมัวเมายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็มีความทุกข์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพรื่อกดธรรมดามที่วางไว้บน ร, ร่างกายเจ้าต้องมีการสลายตัวไปในที่สุดขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเดินก็ไปหาความแก่อยู่เรื่อยๆมัน ใ, นในที่สุดถ้ามันเมื่อยขี้เกียจเดินเมาไหลมันก็พังอาการพังเข้ามาถึงเราเมื่อไร่เขาก็เรียกว่าเราตาย ทรัพสมบัติทั้งหลายที่เราเชยยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อตายแล้วไม่มีสิทธิ์จะนำของท่านหลายเหล่านั้นไปได้เลยเมื่อความจริงมีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินศรีเจเนตส่งแนะนําให้ยึดร่างกายเป็นพื้นฐานดูร่างกายว่ามันเป็นสภาพสุกปรกส ม, มมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีกขณะใดที่มองเห็นร่างกายก็เกิดความรังเกียจ ว่าร่างกายนี้มีสภาพสปกปรกเนาะลงหนาสซะหน่อยก็ดีไหม <c oughs> นอกกาะนี้คํามาเห็นาเห็นว่าเป็นของสปกปรกเห็นว่าเป็นธาตุสี่ประชุมกันท่านเรียกว่าสมถภ า, าวนาแล่วก็มองไปดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้มีการทรงตัวใจมันก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจ ในที่สุดนั้นก็สลายตัวพังตัวนี้เป็นอนัตตาและเขาเป็นมิปัจฉนาญาณเ <c oughs> มื่ออารมณ์จับค่าย่างนี้แล้วนั้นองสมเด็จพระจิตตมันก็ให้ทรงวางอารมณ์ตัดความรู้สึกในความพอใจในการเกิดต่อไปให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงชัดๆว่าร่างกายที่องสมเด็จประสมสวัสดประกอบเวาทาศีนี้มันเป็นของไม่ดี บนเปลือกเท่าไรมันก็ไม่ทรงตัวเืนยึดถือเกาะมันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายคือธาตุสีต่อไปตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรตัยตัสว่าเตสังวูปสโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่ว่าเป็นสุขคือเมื่อไรไม่มีกายเลยได้กรไปสู่ผลิพาน คนที่จะไปพรนิพพานได้ก็มีรมสั้นๆเกินหนึ่งไม่ต้องการไม่สนใจคือไม่ยึดถือร่างกายของเราสองไม่ยึดถือร่างกายเขาบอกคนอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราและสามไม่สนใจในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรส่งตัวจิตใจของเราวางเฉยในร่างกายเราก็ดีในร่างกายขาบคนอื่นก็ดีในทรัพย์สินทั้งหลายก็ดี เห็นว่าสิ่งทั้นหลายเหล่านี้ไม่มีไมีความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีความปรารถนาต่อไปอย่างนี้ก็ได้บรรได้ทั้งสมถะและวิปัสสนามองดูเวลาก็หมดแลว้วบรรดาท่านโพธบริษัทธ์ก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเพราะว่ากรรมถ า, านนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้คนฉลาด ในวันนี้เห็นเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมโลกานา์ขอความปรารถนาสมหวังจงมีแดดทุกท่านตามที่ประสงค์สวัสดี